ธรรมบทแปลเรื่องที่131เรื่องอุบาสกชื่อมหาการข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบอุบาสกผู้โสดาบันคนหนึ่งชื่อมหาการตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตตาหิกระตังปาปังเป็นต้น ตอนมหาการถูกหาว่าเป็นโจรเลยถูกทุบตายได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถแดวันต่อเดือนฟังธรรมกถาตลอดคืนอย่างรุ่งในวิหารครั้งนั้นพวกโจรตัดที่ต่อในเรือหลังหนึ่งในเวลากลางคืนถือเอาห่อพันธะไป ูพวกเจ้าของตื่นขึ้นเพราะเสียงภาชนะโลหะกระทบกันติดตามแล้วทิ้งสิ่งของที่ตนถือไว้แล้วก็หลบหนีไปฝ่ายพวกเจ้าของติดตามโจรเหล่านั้นไปเรื่อยพวกโจรเหล่านั้นกระจัดกระจายหนีกันไปทั่วทิศส่วนโจรคนหนึ่งถือเอาทางที่ไปยังวิหาร ทิ้งหอพันธะไว้ข้างหน้ามหาการผู้ฟังรร ม, มักระถาตลอดคืนอย่างรุ่งล้างหน้าอยู่ริมสระโบกกรณีแต่ชาตรูแล้วลบหนีไปพวกมนุษย์ติดตามหมู่โจรมาพบหอพันธะแล้วจึงจับมหาการนั้นไว้ด้วยกล่าวว่าเอ็งตัดที่ต่อในเรือนของพวกข้าลักหอพันธะไปแล้ว เดี่ยวเดินเหมือนฟังทำอยู่ได้ทุบให้ตายแล้วก็ทิ้งไว้เลยไปตอนมหาการตายสมแก่บุพกรรมครั้งนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เช้าตรู่พบมหาการนั้นกล่าวว่าอุบาสกฟังธรรมกถาอยู่ในวิหารได้มรณะไม่สมควร นี้้แลวจึงได้กราบทูลแด่พระสัสดาพระสัสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายนายมหากาลได้มรณะไม่สมควรในอัตภาพนี้แต่เขาได้มรณะสมควรแก่กรรมที่ทำไว้แล้วในการก่อนนั่นแลอันภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นทูลอาราธนาจึงตรัสปทประกรรมของมหากาลนั้นว่า ตอนบรุรพกรรมของมหาการเต่งได้สดับมาในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งปัจจันตะคามแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพาระสศีพระราชทรงตั้งราชพัฏคนหนึ่งไว้ที่ปากดงราชพัฒนนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจาก ฝ้าข้างนี้สูฟ้าข้างโน้นดำคนจากฝ้าข้างโน้นมาสู่ฝ้าข้างนี้ต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาภริยารูปสวยของตนขึ้นสู่ยานน้อยแล้วได้ไปถึงที่นั้นราชพัฒพอเห็นหญิงนั้นก็เกิดสิเนหาเมื่อมนุษย์นั้นแม้กล่าวว่านายขอท่านจงช่วยกระผมทั้งสอง ให้ผ่านพ้นดงเถิดก็ตอบว่าปัดนี้ค่า ม, มืดเสร็จแล้วเช้าตรูเ่เถอะเราจะช่วยให้ผ่านพ้นไปมนุษย์นายยังมีเวลาขอโปรดนำกระผมทั้งสองไปเดี๋ยวนี้เถิดราชพัฏกลับเถิดท่านผู้เจริญอาหารและที่พักอาศัยจะมีในเรือนของเราทีเดียว มนุษย์นั้นไม่ปรารถนากลับเลยฝ่ายราชพัฒนอกนี้ให้สัญญาแก่พวกบรุษยังยานน้อยให้กลับแล้วให้ที่พักอาศัยที่ซุ้มประตูให้จัดเตรียมอาหารแก่เขาผู้ไม่ปรารถนาเลยก็ในเรือนราชพัฒนั้นมีแก้มณีดวงหนึ่งเขาให้เอาแก้มณีนั้นซ่อนไว้ในซอกแห่งยานน้อยของมนุษย์ผู้นั้นแล้ว ในเวลาจนรุ่งให้ทำเสียงเป็นพวกโจรเข้าไปบ้านลำดับนั้นพวกป ร, รุดแจ้งแก่เขาว่านายแก้มณีถูกพวกโจรลักเอาไปแล้วเขาสั่งว่าพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาไว้ที่ประตูบ้านทั้งหลายตรวจคน้นคนผู้ออกไปจากภายในบ้านฝ่ายมนุษย์นอกนี้จัดยานน้อยเสร็จแล้ว ก็ขับไปแต่เช้าตรู่ที่นั้นพวกคนใช้ของราชพัฒจึงค้นยานน้อยของมนุษย์นั้นพบแก้มนีที่ตนซ่อนไว้จึงขู่พูดว่าเจ้าลักเอาแก้มนีหนีไปดังนี้แล้วก็โบยแสดงแก่นายบ้านว่านายพวกผมจับโจรได้แล้วเขาพูดว่าตัวเราเป็นถึงนายราชพัฒ ให้พักอาศัยในเรือนให้พัดแล้วมันยังลักแก้วมณีไปได้พวกเจ้าจงจับอ้ายบุรุษชั่วช้านั้นดังนี้แล้วให้ช่วยกันทุบตายแล้วให้ทิ้งเสียนี้เป็นบุรพกรรมของมหาการนั้นราชภัฒนนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในอเวจีไม่อยู่ในอเวจีนั้นสิ้นกาลนาน ถูกทุบถึงความตายอย่างนั้นแลในร้อยอัตภาพเพราะวิบากที่ยังเหลืออยู่ตอนบาปย่อมย่อ ม, อ ม, อมีผู้ทำพระศัสดาครั้นทร ง, สงแสดงบุรพกรรมของมหาการอย่างนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมมันตนทําไว้นั่นแลย่อมย่อ ม, อมีสัตว์เหล่านี้ในอบายสี่ อย่างนี้ดังนี้แล้วตรัสพระกาถานี้ว่าอัตตาหิกระตังปาปังอัตระจังอัตตะซัมพวังอภิมัทธิดุมเมทังวจีรังวัมหยังมะนิงบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิด ย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรย่ำยีแก้มณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบาปพระคาถาว่าวชีลังวามหยังมนิงความว่าเปรียบดังเพชรย่ำยีแก้มณีที่เกิดแต่หินท่านอธิบายคำนี้ไว้ว่า เพชรอันสำเร็จจากหินมีหินเป็นแดนเกิดกัดแก้วมณีที่เกิดแต่หินคือแก้วมณีอันสำเร็จแต่หินซึ่งนับว่าเป็นที่ตั้งขึ้นของตนนั้นนั่นแหลคือทําให้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่ให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทําให้ใช้สอยไม่ได้ฉันใดบาปอันตนทําไว้แล้วเกิดในตน มีตนเป็นแดนเกิดย่ำย่ำ ย, ยีคือขจัดบุคคลผู้มีปัญญาซามคือผู้ไร้ปัญญาในอบายสี่ฉันนั้นเหมือนกันในการจบเทศนาภิกษุที่มาประชุมบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องอุบาสกชื่อมหาการ